ลูกหลานผู้ใดมันมีเสียงดังออกไปไวอกไปข้างนอกไว้ก่อนมันใหญ่แล้วไม่ค่อยเอาเข้ามาเอาเข้ามาเดี๋ยวนี้เมื่อไรมันกวนมันกวนหมู่หมู่เขาจะฟังอ้ลูกหลานของเรามันเสียงดังอออกไปข้างนอกก่อนเอาไปห่างๆถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยค่อยเอาเข้ามาฟัง หลวงพ่อหลวงตาพูดจบแล้วัึงค่อยออกมากินข้าวต้มขนมกับหลวงตาได้ขณะนี้มันกวนหมูเสียงรบกวนหมูเอาออกไปไกลๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หมีนาคมพุทธศักราช2560เมื่อวานหลวงพ่อออกไปฉันข้างนอกไปฉันวันครอบรอบ ของครูบาหมอวัดต่อสีเสียดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครบรอบสองปีที่พระหมอมรณาภาพอย่างพวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นพระหมอบัณฑิตสุปั น, ปนทิโต่นั้นเคยมาอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยของเรา เคยมาเป็นผ อ, อรโรงพยาบาลอำเภอนายูงตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็ตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วก็คมารูบาหมอบัณฑิตเนี่ยสุพัรณที่โตเนี่ยมาเป็นผ อ, อเป็นคนแรกมาอยู่หลายปีแต่แต่ยังไม่มีอะไรหลวงพ่อก็ได้ซื้อเครื่องสักผ่งสักผ้าให้อะไรต่อไม่อะไรก็หลายเงินอยู่ สมัยนั้นเพราะมันรีเริ่มสร้างใหม่วัดของเราก็สร้างใหม่อีกเหมือนกันพอต่อมาท่านก็ได้ย้ายไปอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรต่อมาท่านก็ไปเรียนหนังสือโรงพยาบาลตรงมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาแต่เรียนไม่จบทันเบือ่อนายก่อนถึงคราวนะ ท่านถึงคราวเกิดความเบื่อหน่ายเหมือนกับพระพุทธเจ้าครองราชมาเป็นปีครบยี่สิบ29้าปีพระองค์ก็เบื่อหน่ายกันหนีออกจากเวียงวังกลางคืนอย่างพโมกคราสาริบุตรก็เหมือนกันท่านถึงเวลาท่านหนีออกจาก เ, เคหสถานบ้านของท่านเหมือนกัน ไปดูอะไรมันไม่สนุกสนานพอถึงคลาวถึงบุญบารมีมันมาถึงแล้วนะขนาดไปฟังร้องรำทำเพลงไปดูคอนเสิร์ตต่ก่อนก็สนุกสนานใจโยโหฮหิ้วกับเขามีทั้งทิพมีทั้งอะไรเพราะท่านเป็นเศรษฐีมีบริวารขวนห0าโมกรากสารีบุตรพอถึง บารบมีมาถึงบารบมีแก่กล้าแล้วมองเห็นคนทั้งหลายเออเขาจะสนุกสนานไปทำไมเนอทุกคนจะต้องตายด้วยกันทุกคนไม่รู้ว่าวันไห น, ออ ส, น, ส, นสนุกสนานไปถึงวันตายมันมัน ไ, ไม่น่าสนุกสนานมันควรจะส่สแสวงหาทางออกมันควรสสแสวงหาบุญกุศลเออมันควรจะ ส, สแสวงหาคุณงามความดี ไม่น่าจะมาสนุกสนานในการเป็นอยู่เช่นนี้เนี่ยบรารมีแก่ก้านะอย่างพระยระกุลรบุตรก็เหมือนกันอยู่ในบ้านโอ้ที่นี้วุ่นวายนอะทีนี้ขัดข้องเนะทีนี้วุ่นวายเนี่บ่นไปตามทางจนไปถึงป่าช้าพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่ป่าช้าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง เข้ามาที่นี่ยศศนะักดิอจากนั้นพระยศศัก์ก็ได้เข้าไปนี่แหละใครว่าวคนบา ร, รมีมันมันเต็มเปี่ยมมันล้างไม่อยู่นี่ก็เหมือนการพระครูบหมอท่านก็เบื่อหน่ายไปเรียนหนังสือได้ไม่ไม่จบนะ เ, เห็นนะโอ้ไม่รู้จะเรียนไปเพื่ออะไรนะแต่ท่านท่านก็ได้มาบวช เ, เป็นเวลายี่สิบกว่าปีอท่านก็ได้ถูกนี่แหละ มรณะภาพในคราวนั้นแปล ว, ว่าเมื่อวานนีครบรอบสองปีทั้งพอ่อทั้งแม่ท่านกพ็พ่อของท่านก็เป็นหลวงตาสุขบวชก่อนที่คูบาหมอมรณะภาพบวชแม่ก็เป็นผู้ดูแลน้องสาวพี่สาวน่แหละเนี่ยเป็นวัดเล็กๆ แต่เป็นมุมที่สงบมุมหนึ่งหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็อวพอหลวงพ่อก็งานศพของท่านก็ได้ไปแต่ปีที่แล้วหลวงพ่อไม่ได้ไปเพราะติดธุระนะแอบครบรอบหนึ่งปีแอบปีนี้ขันก็นิมอนต์อีกหลวงพ่อพอว่างนะก็เลยไปมนเมื่อวันออกไปแต่เช้ามืดเลยไม่ได้อยู่กับลูกหลานที่วัดแต่วันนี้ก็เป็นวัน อาทิตย์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็มีเนี่ยที่มานั่งมากๆก็มีกลุ่มหนึ่งลูกหลานมาจากมหาวิทยาลัยราชรัชพัร้อยเอ็ดนะด้วยชมลมพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอด็ดได้จัดโครงการทำสันธรรมสันจรวัด ปากรรมฐานครั้งที่สองมาเพิ่งเป็นครั้งที่สองเองนะรวมแล้วิดเก้าวัดก็มาวัดหลวงพ่อนในหนึ่ ง, นงในเก้าวัดนั้นนะแต่ในจดหมายจะบอกว่าห้าสิบคนนะพอเอาแค่แท้มาได้ยี่สิบห้าคนขาดไปห้าสิบทำไมประเมินประเมินประมาณการผิดพลาดถึงขนาดนั้นวะที่แรกว่าจะมาตั้ง ห้าสิบพอเอาเข้าจริงได้เพียงแคย่สิบห้าคนนะก็เท่าไรก็เท่านั้นลหละลูกล้านหลวงพ่อก็พูดไปอย่างนั้นแหละ เ, เหมือนกับคนถ้าหากว่าจะจูงลากถูไปในสู่คุณงามความดีนะมันยากเหมือนจูงหมาใส่ฝนที่หลวงพ่อเคยพูดมาไม่รู้กีก่ครั้งนะถ้า่าปล่อยเข้าไปในไปดูหมอร้องหมอรำคอนเสิร์ต เต้นแลบําลำวงไปดูดาราเอ อ, เ, อ, อเท่าไหร่เฮออตึ้มกันไปเลยเออแต่พอจะมาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยมันยากอันนี้เป็นธรรมชาติตั้งแต่ดึกดำบันแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังเปรียบเทียบว่าคนที่จะไปสู่คุณงามความดีนั่นแ อ, อถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเขาวัวออคนที่จะไปทางต่ำตาม ตามใจชอบของตนเองนะ่ะเหมือนกับขนวัวพวกเราคิดดูใช่ไว่าขนวัวกับเขาวัวนะมันต่างกันมากขนาดไหนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังแล้วในครั้งพุทธการเพรานั้นมาถึงยุคเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องคิดว่าเป็นของแปลกนะอย่าไปคิดว่าเป็นของแปลกเป็นของธรรมดาคนที่จะไปสู่คุณงามความดีกับคนที่จะไปตามอําเภอใจตามมัทธาใจของเจ้าของนะ่ะ แล้วมันแตกแตกต่างกันถึงขนาดนั้นละ่ะเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็เถอะแต่เราคิดดีแล้วนะอคิดดีแล้วอยังค่อยไปตามที่ตนเองว่าคิดดีแล้วนะตาลคิดดีก็เหมือนกันนะลูกหลานคณะรัทา ย, ยาิโยมเราว่าคิดดีคํานี้เนะี่ยเราจะไปใช้ทิฏฐิมานะความคิดเห็นของตนเอง เพราะความคิดเห็นตัวเองนะั้นไม่มีใครรั บ, ร บ, รรบประกันว่าเราคิดดีเนะี่ยได้รับมาตรฐานได้รับเหรียญทองได้รับออยหรือรอย่างในการคิดของตนเองมันก็ไม่มีใครแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะี่ไม่รู้ว่ากี่รุ่นตั้งแต่ปีตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อ2560ปีให้หลังผ่านมานานเท่าไหร่ก็เมื่อเรายกประเด็นธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาวิเคราะห์เข้ามาเป็นกระจกเงาเขึ้นมาแล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติก็เป็นที่ยอมรับกันท้วนหน้าก็เป็นอันว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะให้ขาวได้รับออยอมาทุกยุคทุกสมัย เพราะนั้นในแนวความคิดของเราเราจะรับรองรับประกันทีเดียวอย่างนั้นก็อาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราจะไปเชื่อมั่นในตนเองมากจนเกินไปต้องฟังพอฟังเสร็จแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับพระธรรมคําสอนบางทีมันกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองกันมีอยู่ แต่เราดันทุลังว่าเราทำทุกแต่ว่ากฎหมายของเขาก ฎ, กฎกติกาของคนชุมชนกลุ่มใหญ่ เ, เราก็ต้องเราก็ต้องดูอีกเหมือนกันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านาสัพพิสัพพิชฌธรรมธรรมของสัตว์รุษเนี่ย อ, อัตถัญยุตาอัตตัญยุตาปริสัญยุตาเออนี่แหละมีมาก เพราะว่าประชุมชนปริสันยุตตาคือประชุมชนแต่หลวงพ่อยังไม่ไม่พูดอัตถานยุตตาอัตถานยุตตามัดตันยุตตาแต่หลวงพ่อจะเน้นที่ว่าปริสันยุตตาปริสันยุตากับปุขระประโรปรันยุตา่าสองข้อสุดท้ายใน7ข้อนั้นนะคล้ายๆว่าปริสันยุตตาให้รู้จักประชุมชน เมื่อไปชุมชนกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาหาเราควรจะวางตัวอย่างไร เ, เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในประชุมชนในประเทศชาติอย่างประเทศชาติชาติไทยของเรา เ, เราเกิดมาในยุคนี้ควรจะวางตนอย่างไรควรจะให้ถูกตามกฎกติกาของเขาเพวาเขามีกฎกติกาขึ้นมาถ้าเราไปอยู่อเมริกามาเลอินโดต่างประเทศยุโรปประเทศไหนเราก็ต้องทำตนให้ถูกกับ ประลสันจุตาให้ให้รู้จักประชุมชนนั้นนะ่อันนี้แหละอันนี้คือเราทำถูกสรุปแล้วก็คือคนโบราณเขาบอกว่าเมื่อเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามมันลักษณะอย่างนั้นแต่ก็เราก็ไม่จะททาทุกอย่างในการทําความชั่วของเขาแต่นี่เรามันผิดที่ตรงไหนอันนี้เราก็ต้องดู ถ้าว่าดูเรามาพิจารณาดูแล้วการกระทําเรื่องการดําเนินชีวิตของเราเรื่องการดําเนินของเขานะั้นมันผิดไหมถ้ามันผิดไม่ผิดมันไม่ผิดแล้วก็ต้องเดินตามเขาเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในชุมชนสังคมอย่างพวกคาร์โรปรันยูตาปุคค ร, ระบุคคลบุคคลคนนี้เมื่อเข้าไปหาควรเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเราควรพูดอย่างไรควรทํทอาอกักริธยาอย่างไร อย่างที่เราไปหาพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าไม่รูประเทศเทศไหนล่ะแล้วเราควรวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าไปหานายกเราควรทําตนอย่างไรในเมื่อเราไปหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เคารพของชุมชนเราควรวางตนอย่างไรในเลือกเมื่อขอไปหาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชหรือเจ้าพ่อคุณสมเด็จหรือเจ้าฟ้าเจ้าคุณหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราควปรปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อเราไปหาพ่อแม่เขาไปหาพ่อแม่ของเราเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อเราไปโรงหนังโรงละครร้องรำทำเพลงสนุกสนานเราควรวางตัวอย่างไรถ้าหากว่าพวกเราได้คิดถีถ้วนตรวจตราดูแล้วนะการวางตัวนี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นผู้มีปัญญานะถ้าคนมีปัญญารู้จัก อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแข็งในขณะที่ควรจะแข็งในขณะที่ควรจะอ่อนก็ควรจะอ่อนอไม่ใช่ว่าจะแข็งกระด้างไปหมดไม่ต้องไปจะอ่อนพวกเปียกไปหมดก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายพระลูกพระลูกพระหลานหรือนักศึกษาที่พวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าควรจะมองดูจุดนี้อีกเหมือนกันนะเพราะเหตุใดเพราะว่า เราถ้าว่าเราแข็งแข็งไม่ถูกที่ถ้าอ่อนเหมือนกันอ่อนจะไม่รู้จักเป็นตัวของตัวเองอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันแต่เราจะไปคิดว่าถ้าเห็นเขามากเราก็ยอมรับว่าเขาเขามากในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่านะกลุ่มมากทําความผิดก็มีกลุ่มมากทําความชั่วก็มี กลุ่มมากทําความดีก็มีเราจะไปถือว่ากลุ่มมากทีเดียวกลุ่มที่มากนั้นมีเหตุผลอย่างไรมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีอย่างไรอันนี้พวกเราจะต้องมองดูจริยธรรมนึกคือความประพฤติของชุมชนกลุ่มนั้นเอาอะไรมาวัดวัดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะว่าพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราได้รับอยอยมาแล้วไม่รู้ว่ากี่รุ่นนี่แหละเอาเข้ามา รังวัดเลยเขามีศีลห้าไหมในชุมชนกลุ่มนี้อทินปานา เ, เขาไม่คิดฆ่ากันนะอทิญ น, นาทานเขาไม่คิดขโมยกันนะกาเมุวิชชาจารย์เขาเคารพในสามีภรรยาซึ่งกันและกันนะ เ, เราเขาไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงกันนะอแตบ่บางข้อก็ดีอยู่แต่มาถึงข้อกโกหกนี่แหลอโกหกต่อแหล่ไปต่อแหล่มาเหมือนกับปาลาไหล จนจับไม่อยู่อันนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันมันดีหมดทุกอย่างแต่มาถึงจุดนี้มันเป็นตัวโกหกเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถืออีกเหมือนกันเพราะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าท่านตรัสไว้ในครั้งนู้นทั้งพุทธเจ้าท่านว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รจะไม่ทําความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้เราต้องคิดอีกเหมือนกัน คนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆนะจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้พวกเราก็ต้องมาประมวลอีกเหมือนกันและถ้าเขาอยู่ในกลุ่มนั้นเขาดื่มคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไหมสุราไหมของมึนเมาไหมขาดสติไหมในการเป็นอยู่ของเขาสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเอามาเอามาวัดเอาทําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาลังวัดดู เ, เขาเป็นคนดีระดับไหน เราอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนกลุ่มใหญ่เอเราก็ตามเขาแต่ว่าถ้าหาว่าเราฟังอยู่แต่เราไม่เห็นด้วยไม่我 soft, 我เห็นด้วยอยู่ในใจอถ้าว่าลมมันมาแรงเราก็ลู้ไปตามลมแต่ในใจของเราไม่เห็นด้วยพราะมันผิดศีลธรรมผิดศีลธรรมจริยธรรมเขาคนหมู่มากหมูปวกเอหมูปวกมันก็มากใช่ไหมหมูหมดหมูหมดมันก็มากใช่ไหมหมูแมลง แมะลงพึ่งแมลงผู้แมะลงวันอันไหนบางทีมันก็บางกลุ่มก็มากแต่มาก ม, มีเหตุมีผลไมมสิ่งเหล่านี้ให้ลูกหลานทั้งหลายผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าต้องมีเหตุผล อ, อย่าไปคิดว่าหมูมากดีทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าหมูน้อยดีทีเดียวก็ไม่ใช่เ อ, เอาศีลธรรมเข้ามาจับเอามาเข้ามาหลังวัด พระพุทธเจ้าของเราก็มีคนเดียวองค์เดียวแต่ก็ท่านก็เป็นผู้มีสติปัญญาจากนั้นพระองค์ประกาศพระธรรมคําสอนออกไปพวกเราทั้งหลายก็ยอมรับแนวความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีพระพุทธเจ้าตรัสออกมาคําไหนเออดีถูกต้องเป็นธรรมท่านจึงตั้งเป็นศาสนาขึ้นมาเป็นว่าพุทธศาสนาจากนั้นผู้ใดใครที่ได้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ยอมรับ ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าจากนั้นก็เข้ามาสยบเข้ามาเป็นบริวารเข้ามาน้อมรับยอมรับในพระธรรมคําสอนว่าพระพุทธเจ้าบอกและตัดไปแล้วนะถูกต้องจึงเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทของพุทธยอมเป็นเข้ามาหุ้นส่วนในบริษัทของพุทธ ยังจัดเรียว่าบริษัท4พุทธบริษัท4อุบาสกคือโยมผู้ชายอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงแล้วก็ภิกษุณีในสมัยนั้นบวชเข้ามาเหมือนกับพระภิกษุภิกษุก็เนี่ยภิกษุสงฆ์เนี่ยภิกษุณีก็คือฝ่ายผู้หญิงเข้ามาบวชแต่ทุกวันนี้หมดแล้วนะมีน้อยมากก็ยังไม่ประเทศไทยยังไม่ยอมรับกันเพราะว่าภิกษุณี สมัยเกิดศึกสงครามไม่รู้ว่ากี่รุ่นกี่สมัยอแต่ละประเทศแต่ละครั้งพิกษูนีจึงไม่มีอขาดเมืองไทยเราไม่ยอมรับเรื่องพิกชูนีเพราะเหตุใดเพราะว่าเอมันขาดไปแล้วอบพโลกขึ้นมาใหม่พระธานคณะสงฆ์ไทยจึงอที่ตรงพ่อได้ยินได้ยิดมาไม่ยอมรับเรื่องพิชชูนีเพราะว่า มันเกิดศึกสงครามเข้าไปแล้วบ้านแตกซ้าแหลกขาดมีแต่พระท่าน่ะหอบซ้ายหอบขวาอพระยังมีอยู่แต่พิกษุณีนั้งหมดนะในเมืองไทยนะพะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้ก็คือคุณงามความดีแต่ถึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งหลายทั้งปวงนี่ถึงจะเป็นปริสันยุตาก็ดีปุกโรประประป ร, ะประปรัยุตาก็ดี การล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องของสิ น, นการศินที่อยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบต้องมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีต่อกันถ้าว่าพวกเราไม่มีศินห้าอย่างเนี้ยหรือไม่เคารพในกติกาคือผู้มีศินอย่างเนี้การอยู่ด้วยกันก็หาความสงบเป็นสุขไม่ได้ กฎหมายบ้านเมืองถึงจะตั้งขึ้นมาก็คุ้มครองในที่แจ้งแต่ไม่สามารถที่จะคุ้มครองในที่ลับได้แต่ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองในที่ลับคุ้มครองทั้งในที่แจ้งการกระทำที่ไหนก็ตามคือความชั่วแล้วไม่ดีทั้งนั้นถึงจะลําทำในที่แรที่ลับก็าตามในที่แจ้งก็ตามใครเห็นก็ตามใครไม่เห็นก็าตามอันนั้นก็คือความชั่ววันยังคำ่ำ เราคิดขึ้นมามันชั่วแต่อยู่ในใจของเรา น, นอะแมันไม่ใช่ชั่วออกมาการกระทำในการคิดขึ้นมาก็ชั่วแล้วการกระทำออกมาก็ชั่วการพูดออกมาก็ชั่วเพราะคิดชั่วนะในเมื่อคิดชั่วขึ้นมาแล้วนะเมื่อทําลงไปเหมือนกับเรานะไปจับไฟเลยสิจับไฟในห้องไม่มีใครเห็นปิดประตูให้ดีจับคนเดียวมันร้อนไหมเออมันก็ร้อนทาไมเพราะมันเป็นไฟ นี้ก็เหมือนกันความชั่วนั่นน่ะคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วนั่นน่ะออยู่ในสถานที่ใดอยู่ในที่รับก็าตามอยู่ในที่แจ้งก็าตามมันร้อนทั้งนั้นแหละมันชั่วทั้งนั้นแหละเพรานั้นให้ลูกหลานคณะทศไทยญาติโยมทุกคนเนะ่ะพระเนรลูกหลานทุกองค์อที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะอความชั่วจะทําเสดยดีกว่าเมื่อทําลงไปแล้ว ความชั่วหรือกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นนะตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมธรรมะปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเรื่องจะแนวความคิดของพุทธะนะ พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าจะว่าว่าไปแล้วนะพุทธศาสนาหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเน้นหนักเรื่องสมาธิสมาธิธรรมตนตรงตรงที่ว่าจะทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณากลั่นกรองไตรตองทางวิปัสสนา จนเกิดความเบื่อหน่ายคลายจากนั้นจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นคือจุดประสงค์อันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าตอนหัวข้ามทันดลึกชาติได้หปลปุเพนิวาสานุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะ ป, ะปะตาตยานพอจวนสว่างอาสาวะคยาญาณน่นละจุดที่อาสาวะคยาญาณนั่นะจุดนั้นะเป็นจุดที่ พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใส่ใจสนใจว่าเลิศประเสริฐที่สุดคืออาสาวกขยะยานจากนั้นพระ อ, องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาหารหันต์ทั้งหลายในเมื่อท่านพิจารณาด้วยหลักวิปัชนีคือมรรคแปดสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารสุดท้ายนำมาพิจารณาการกลองไตรตอง เผากิเลสเด้วยตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาจากนั้นพัทไยใจของพระองค์กิเลสทั้งหลายหลุดออกไปหมดกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรธหลงออกจากใจใจเป็นอิสระใจเป็นไทยใจเป็นใจบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสภายในใจท่านก็ประกาศได้เลยว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะสิ่งที่จะพามาเกิดนั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะแต่บัดนี้เราได้กําจัดกิเลสออกไปแล้วสิ่งที่จะมํานํามาเกิดนั้นไม่มีแล้วอันนี้ก็คือนี่แหละพระพุทธเจ้าพระหรัตถสาวกที่ท่านได้ประกาศตัวเองถ้าเราสรุปให้ชัดเจนก็เหมือนกับมเมล็ดข้าว มเมล็ดข้าวมันมีเปลือกมันมียางมันมีตามันมีเครื่องในตัวของมันในเมื่อเราได้มเมล็ดข้าวเราก็ไปปลูกในที่เชื้อไปเพาะในที่เชื้อมันก็เกิดงอกเงยขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมันพร้อมที่จะเกิดในมเมล็ดข้าวนั้นแต่ทีนี้เมื่อเราได้มเมล็ดข้าวมาเราก็เทเปลือกมันออก พอกระเทอะปอกเปลือกมันออกเสร็จแล้วเราไปนึ่งใช่ไหอไปนึ่งเสร็จแล้วเอามาปลูกใช่นีมมันปลูกเกิดไหมปลูกเข้าหนึ่งเออมันไม่ไม่เกิดเอราไปทิ้งว่ากระแห้งไปเฉยๆนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อเราชำระกิเลสภายในใจของเราหมดแล้วเนี่ว่านิพพานังปรมังศูนย์อย่างนิพพานศูนย์คือศูนย์เชือ้อ เชื้อที่จะให้มันเกิดก็คือเมล็ดข้าวที่มันมีเชื้ออย่างนั้นน่ะบัดนี้ใช้ตปรธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเผาหุงต้มมันแล้วนะ่ะมันหมดที่จะเชื้อที่จะเกิดแล้วคือกิเลสจากนั้นก็พัดไถยใจของท่านก็เป็นบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสกิเลสไม่เข้ามาอีกแล้วกิเลสไม่เป็นไม่เป็นพานำเป็นไม่เป็นพาหะ ที่นําไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้แล้วท่านจึงประกาศเลยว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกเพราะอะไรท่านเชื่อในตัวของท่านเพราะกิเลส ท, ที่จะพาไปเกิดนั้นท่านกําจัดไปออกหมดแล้วนี่แหละหลักธรรมคําสอนของพุทธะนะที่ท่านมุ่งหมายจุดประสองค์อันสูงสุดในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือตัดกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิด นอกจากนั้นเขามานี่มีแต่พวกเราเนี่ยแย่งกันในลาบในยศในสรรเสริญอิลลงตุงดังไปหมดอย่างทุกวันเนียขนาดเป็นพระก็ยังไม่ไวายที่จะหาธนบงธนบัติหาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญ น, นี่แหละมันก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ตามตามให้จริงหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะจริงๆนะถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วนะ พ, พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรมดกิเลส หมดจดกิเลสด้วยทรรมข้อนายในวันเดือนหกเผ่นจวนสว่างท่านได้ตรัสรูต้ตรัสรู้อะไรอาสาวกขยะยานจุดนั้นนี่แหละอันนี้นก็คือเป็นธรรมคำสอนของพุทธะการขอให้พวกเราพระเนทุกรานสถาญาติโยมทุกคนนะถึงจะไม่ถึงจุดนั้นก็ให้รู้เอาไว้ ว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีจุดมุ่งหมายมีจุดมุ่งมั่นอมีจุดยืนอย่างไรนะอพอให้มาให้เรารู้จุดยืนของพุท ธ, ธนะะอไม่ใช่ว่าเปซ้ายเปขวาเขาจักชวนไปยังไงในราบในยศอันเนัน็นเรื่องของกิเลสเรื่องของวัตตะถ้าเราปุกวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนะมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องราบเรื่องยศซึ่องฉลาเสริมเยินยอทุกสิ่งทุกอย่าง จากนั้นข็เวียนไหวตายเกิดนะท่าอถ้าเราจะตัดกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดก็อย่างพุท ธ, ธพระหันพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินจุดนั้นให้เราศึกษาให้ดีให้ถี่ท่วนนะต่อนนไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรระพรในทนีเนาะ